มันนี่มีรถตู้มาจากไหนบ้างไหมเห็นไหหาดใหญ่หาดใหญ่ไม่มีหาดมีแต่ชื่อหลวงพ่อแอดเด็กๆนึกว่าหาดใหญ่อยู่ติดทะเลนะชื่อหาดใหญ่ <c oughs> เหมือนชนบุรีเนี่ย ชื่อแล้วน้ำเยอะที่จริงแล้วแห้งแรงมากเชิญบรีอัตคัดน้ำเลยตั้งเชื่อเอาเลยไปก่อนวันนี้ช่วงสายหลวงพ่อทองใช้เวลาน้อยหน่อยมีทีมผู้สูงอายุขอมาทอดท่าป่าไม่ให้ทอดก็ไม่ได้ เดี๋ยวผู้สูงอายุเสียใจเานั้นศาลาเราก็เล็กแค่นเนี้ยเราต้องเล่นกาอีดนตรีกันเก้าโมงสี่สิบประมาณนั้นพวกเราก็ออกไปให้ทีมื่นเขาเข้ามามันสมัยหลวงพ่อไปกลับหลวงพูทเทศคนไปกลับหลวงพูทเทศเยอะ ท่านจัดเป็นทีมเขม้าไปทีมนี้มาจากนี้เข้ามากราบหลวงปูเอาตอออกไปทิมต่อไปอะไรนี่เป็นทีบทีๆครูบาอาจารย์พอท่านแก่ลงท่านก็ไม่ค่อยได้เทศแล้วเอาไว้กลบับเฉยๆท่านสอนไม่ไหว หลวงพ่อยังพอสอนไหวที่เปลี่ยนซะ ก, ก่อนถ้าต่อไปทำได้แค่กราบเฉยๆเดี๋ยวเสียใจทีหลังเมื่อตอนหลวงพ่อแข็งแรงอยู่ไม่ยอมเรียนไ ม, ม่ยังเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการนะคนที่เมืองการไม่คอสนใจคนที่อื่นไปเรียนพอย้ายมาอยู่ชนบุรี คนเมืองการก็ามาอุตสาห์นั่งรถข้ามกรุงเทพมาข้ามมาหนจังหวัดแต่คนเมืองชนคนแถวนี้มีสติปัญญาเยอะหน่อยช่วงนี้มาเรียนกันเยอะคนรอบรอบปัดชนบุรีศรีราชาสัตหีบในนี่บางละมุงอะไรเยอะพวกเรา มาเรียนก็ดีแล้วนะอนุโมทนาอยู่ที่ว่าต้องตั้งใจปฏิบัติให้ได้จริงๆพอมาฟังธรรมะอย่างเดียวก็แค่ได้บุญเอาไปลงมือทาจะได้สติได้ปัญญาขึ้นมาบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อย ปัญญาความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเรารู้ถูกเราเข้าใจถูกเกี่ยวกับความเป็นจริงของรูปนามกายใจเจเจเริ่มเบื่อหน่ายรูปนามกายใจนี้ทุกวันนี้เราไม่เบื่อเรารักมากอย่างร่างกายเรานี้เรารักมากเมอร่างกายแก่เราก็ทุกข์ใจเมือร่างกายเจ็บเราก็ทุกข์ใจร่างกายจะตายทุกข์มากเลย ความตายของู้ทุชนเนี่ยเป็นความสูญเสียเสียชีวิตแปลนเดียวก็เสียทุกอย่างเลยเสียทรัพสมบัติเสียลูกเสียเมียเสียสามีพรตายไปปุ๊บสุดที่รับของเราก็ไปมีสุดที่รักใหม่อะไรอย่างนี้นับ น, นทรัพสมบัติอุตสาหาหมาย่ไรยากยังใช้ไม่หมดเลยตายซะก่อน สำหรับคนทั่วๆไปความตายเป็นความสูญเสี ย, ยเยวนคนซึ่งมันทุกข์มากๆนะคนฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายไม่หายทุกข์เคยมีคนหนึ่งเขาเห็นคนไหนห้ามถามนะเขาเห็นคนส้างบ้านผูกคอตายจะไม่ได้เห็นต่างาผูกคอตายแตาเห็นต่างเขาตายแล้ว เดินผ่านหน้าบ้านเดินร้องไห้ไปผู้หญิงนะบุคคอตายไปซื้อบ้านแล้วก็สามีห้ามไม่ฟังบอกว่ามันแพงเกินไปซื้อเราส่งไม่ไหวรอกอยากได้ความอยากมันใหญ่กว่าเหตุผลอยากได้อยากได้ไดส่งไม่ไหวเงินที่เก็บมาตั้งนานสองคนสามีปัญญาเอาไปวางดาวบ้านหมดเลยก็ส่งไม่ไหว สามีาก็โกรธนะสามีทิ้งไปเลยหนีไปอยู่คนเดียวก็ร้องไห้เขาอย่ายึดบ้านละเลยผูุกพอตายคิดไม่จะหนีทุกพอตายแล้วพอเดินร้องไห้ออกจากบ้านไปไม่ย้อนไปมองเลยนะไม่มองสักนิดเลยเดินร้องไห้ไปได้ๆคนที่เขาเห็นนะเขาว่าได้ยินเสียงร้องไห้ก่อน ก็เลยดูพบ ว, ว่าเธอเดินเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินไม่ถูกพื้นนะเดินเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งงั้นพวกเราไปสังเกตนะถ้าใครเขาเดินแล้วตัวลอยๆนิดหนึ่งนะอ่าเป็นข้อสังเกตนันนึ่งเดินไม่ติดดินถามว่าทายทุกไหมผูกคอตายไม่หายนะจะทุกนานกว่าเกา่า เพราะว่าเกิดใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วเกิดเป็นผีนะั่นแหละเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายตัวอะไรจำไม่ได้คนที่เขาเห็นมามันเห็นมานานแล้วจำไม่ได้แต่ว่าความทุกข์นะี่ไม่หายไปเพราะความตายแต่ตอนตายเนี่ยทุกข์ เนี่ยพอไม่มีปัญญานะมันก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยคือตัวเราคือของเรารัใครผงแหนแก่ให้มาก็ทุกเจ็บให้มาก็ทุกตายให้มาก็ทุกเจ็บมากๆไม่อยอมตายก็ทุกอีกเจ็บตายมากๆก็อยากตายจะได้หนีความทุกไปแต่ว่าหนีได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ไปมีกายใหม่ก็ทุกใหม่ เจ็บทางจิตใจอย่างในผู้หญิงเนี่ยเจ็บทางจิตใจก็อยากตายครับตัวตายก็ไม่พ้นทุกิจเงินมีที่พ้นทุกข์ด้วยการหนีทุกข์หนีไม่รอดนเรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจนะรูปกายไปเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ก็เห็นอย่างนี้ใจมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในร่างกาย เมื่อนายคลายความยึดถือแล้วเนี่ยร่างกายแก่เนี่ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวร่างกายเจ็บจิตใจก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะตายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวตายอย่างสนาพาเผยแล้วเรามหาดรู้จิตใจด้วยรู้กายได้ก็รู้กายไปรู้ใจได้ก็รู้ใจไปถ้ารู้อย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจ ทำไมรู้ทั้งกายทั้งใจอย่างบางคนใช้กายเป็นวิหารธรรมรู้สึกอยู่ที่กายบ่อยๆใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกนั้นมีทั้งกายมีทั้งใจงั้นถ้ามีแต่กายรู้ลงที่ใจรู้ลงที่ร่างกายอย่างเดียวนะไม่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจไม่แยกออกมาเป็นคนดูนะใจไหลไปรวมกับกายไปดูทีแลมันเป็นเราถูก ท, ทีแต่ท้ันแยกออกมานะ จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจใน่ะคนละส่วนกันร่างกายไม่ใช่เราจิตใจมันก็ไม่ใช่เราจิตใจมันทำงานได้เองเพราะนเรียนกับหลวงพ่อนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวรู้กายอย่างเดียวไม่พ้นทุกรู้ใจอย่างเดียวก็ไม่พ้นทุกเพราะเรามีทั้งกายทั้งใจไม่ยึดกายก็ยังยึดใจอยูต้องไม่ยึดเลยหรือมีความเห็นถูก ทั้งหมดรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงดีพรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่ตัวเราวิญญาณคือความรับรู้ว่าลมทั้งตาหูจมูกเลนแก่ใจหรือตัวจิตนั้ไม่ใช่ตัวเรา้าเห็นทั้งหมดทั้งห้าขันนะไม่ใช่เรานั้นก็จะไม่มีเราอีกแล้ว หเห็นขันเดียวไม่พอนะหเห็นทั้งห้าขันเดี่ยวพวกเราเนี่ยก็ต้องดูร่างกายมันทำงานดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มันทํางานไปดูความจําได้หมายรู้คือตัวสัญญาณทํางานไปจําได้เห็นจําได้ไว่าคนนี้ชื่ออะไรนะสัตว์อย่างนี้เรียกว่าหมาอย่างนี้เรียกว่าแมวนะอันนี้สีเขียวอันนี้สีเหลืองเนี่ยจําได้หมายรู้ก็ รู้ความหมายของมัอิอกทีนะหรือเทียบเคียงความรับรู้เดิมกับความสิกที่รับรู้ใหม่อย่างเราไม่รู้จักเสือแต่เรารู้จักแมวเราไปเจอเสือเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆ ก, กันะเราหมายรู้ได้ว่าพฤติกรรมน่าจะแบบเดียวกันแบบเดียวกันคือถ้าเจอตัวอะไรที่เล็กกว่าจะกัดได้อย่างเราตัวเทียบกับมันเราเหมือนหนูมันกินเราได้ แน่ตัวลงไปเราจะเห็นความจําได้ความหมายรู้ต่างๆนะหรือหมายรู้ว่าเที่ยงหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าทุกข์อะไรพวกความหมายรู้นั้นอยู่ชัวคราวเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนหมายรู้ที่ถูกก็มีไม่ใช่หมายรู้ผิดอย่างเดียวหมายรู้ถูกก็หมายรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปนามกันห้าของกายของใจนี่หมายรู้ถูก ความหมายรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะหมายรู้ผิดรู้ถูกนะ้เก็ไม่เที่ยงสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะปรุงดีก็ไม่เที่ยงปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงอย่างปรุงดีขึ้นมานะอยากฟังธรรมอยากอยู่ชั่วคราวเดียวก็เบื่อแล้วอยากไปทําอย่างอื่นต่อความปรุงดีก็ไม่เที่ยงความปรุงชั่วก็ไม่เที่ยงอี่ยเราโกรธใครสักคนนะเราโกรธมากมา ก็โกรธช่วงนึกถึงช่วงเวลาที่นึกถึงพอเราไม่ได้นึกถึงคนนี้เราก็าลืมไม่โกรธละเรื่องความโกรธก็ไม่เที่ยงอย่งางแบบกระกหกักโอ้เขา อ, อกหักทุกเป็นปีเลยไม่จริงหรอกตอนนอนหลับไปไม่ได้คิดเรื่องอกหักนะไม่คิดเรื่องแฟนเราอะไรเงยไม่ไม่ไมอกหกนะักไม่ทูกข์หรอมันทุกข์ขึ้นมาตอนที่คิดเอา งนความสุขความทุกข์ความดีความชัว่วก็ตกอยู่ใต้กดใจรักเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันเนี่ค่อยๆเรียนรู้ความจริงของขันไปตัวจิตเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่าวิญญาณต่างตาเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงเรียกว่ามีวิญญาณทางหูนะจิตกับวิญญาณก็ตัวเดียวกันแหละเรียกหลายชื่อมีชื่อหลายชื่อ เหมือนเราคนเดียวมีชื่อหลายาชื่ออย่างกนิษฐาวิริยาชื่อยาววาหนึ่งชื่อชมพูอะไรเงี้ยมีหลายชื่อคนเดียวกันครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจําชื่อไม่ได้ว่าชื่อชมพูท่าเรียกชมพูนั้นมีหลายชื่อนะเรียกชมพูก็หันเหมือนกันเรียกชมพูก็หันะเรียกกนิษฐาวิริยาก็หันเหมือนกัน คนเดียวมีหลายชื่อจิตนี่ก็มีหลายชื่อีชื่อจิตชื่อบิญยาณชื่อใจคือมโนนะมโนคือใจเดี๋ยวที่เอามาใช้เป็นจิตตนาการแต่ละมโนนะคามีเพี้ยนแต่ละเพี้ยนไปอีกหนึ่งคำนะเพี้ยนมาเสมอนะสะารบาลีเนี่ถูกคนไทยเอามาแต่แล้เพี้ยนออกไปเรื่อยๆนี่เราค่อยๆดูลงไปนะจิตเองก็เกิดดับ เดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สมัมผัสที่ร่างกายเดี๋ยวก็ไปคิดนึกทางใจได้เฝ้ารู้ลงไปรู้อะไรก่อนก็ได้ถนัดจะรู้กายก่อนหรือถนัดจะรู้นมามธรรมก่อนก็ได้อย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆธรรมานาปณสตินิชยกายตอนมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนวิปัสนาด้วยการดูจิต เราพาดูจิตแต่ถามว่าดูจิตแล้วรู้กายไหมดูจิตก็รู้กายนะมีสติอยู่อย่างตาเรามองเห็นเนะี่ยตามันเป็นกายเนะี่ยตามองเห็นรูปใจเกิดยินดียรายขึ้นมานะเกิดพอดใจไม่พอใจในรูปในะขึ้นมาเนี่ยเราเห็นใจทํางานต่อไปเราเห็นต้นเหตุที่ใจทํางานคือผัสสนะผัสสะก็อาศัยตาอาศัยรูปอาศัย หูกับเสียงอาศัยจมูกกับกลิ่นอาศัยลิ้นกับรสอาศัยร่างกายกับสัมผัสอาศัย ใ, ใจกับความคิดกระทบกันเราใจก็จะทําทงานขึ้นมาเพราะงะนั้นถ้าเราดูจิตนะดูไปจนชํานาญเราก็จะเห็นเหตุที่ทําให้จิตเราเปลี่ยนจะรู้ไปถึงตัวเหตุที่ทําให้จิตเราเปลียนก็คือตัวรูปมีทั้งรู ป, ม, รปมีทั้งนามอย่างในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามนะ คนนอนหลับอยู่ลืมตามองไม่เห็นมีตาไม่มีตาแต่ว่าไม่รู้รูปบางคนนอนลืมตาเคเห็นไหมนอนลืมตามตานะแต่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะขณะนั้นไม่มีจิตเกิดที่ตาจิตไปอยู่ที่ไหนจิตกาลังลงผวังอยู่ไม่รู้เรื่องบางทีนอนหลับอยู่ไฟไหม้คนตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ ไ, ไ, หมไม่ได้ยินจิตลงผวังอยู่ เลือกไม่ได้นะว่าจะให้จิตขึ้นมารับอารมณ์หรือจิตจะลงผวังเลือกไม่ได้นะเพราะฉะั้นถ้ากำตัดรอนคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไห ม, ไไม้เขาวิ่งหนีไปหมดแล้วเราไม่หนีเราก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วถูกไฟครอบหรือเขาฉีดน้ําเข้ามาในหน้าต่างเราพอดีเราตัวเปียกหมดในห้องเราเปียกในเตียงเรานี่ไม่ไหมในบ้านนี่ไหมไปหมดแล้วก็นึกว่าปฏิหาร กริงกรรมมันสนับสนุนให้อยู่แบบไม่มีบ้านจะ <c oughs> เธอจะต้องอยู่แบบไม่มีบ้านอยู่แล้ว <c oughs> เราเลือกไม่ได้จิตมันทำงานนะมันจะไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรือมันจะไม่ยอมรับรู้อารมณ์มันจะลงระวังเลือกไม่ได้สั่งไม่ได้อันนี้เรียกว่ากรรมจัดสรร จะขึ้นมารับรู้อารมณ์เจออารมณ์ดีอารมณ์ชั่วกาจัดสรนให้นี่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเอาใช้กายเป็นหลักมันก็จะรู้จิตด้วยเพราะจิตเป็นคนรู้กายใช้จิตเป็นหลักมันก็จะรู้กายด้วยเพราะกายก็เป็นเหตุให้จิตเปลี่ยนมีเหตุมีผลกันเกี่ยวโยงกันเพราะฉนั้นถ้าภาวนาถูกเนี่ยรู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามไม่ใช่รู้ันเดียว บางคนบอกว่าเพื่งต้นจะต้องรู้กายอย่างเดียวถามว่าเอาอะไรไปรู้ก็ต้องเอาจิตไปรู้กพรจะรู้กายอย่างเดียวนะเอาจิตไหลไปอยู่ที่กายนะไม่มีจิตที่แยกออกมาเป็นคนรู้ไม่เดินปัญญาไอาเพ่งกายอยู่เฉยๆกี่ปีกี่ชายก็อยู่แค่นั้นนะหรือจะดูจิตแล้วไม่เอากายนะก็ต้องเข้าฌานก่อนเข้าอารูปฌานแล้วไปดูจิตในฌานในอรูปฌานนะไม่มีกายอันนี้ทำได้เฉพาะ นะถ้าถ้าเป็นฌานอารูปที่สูงขึ้นไปนะถึงในวสัญญาเนี่ยในวสัญญาเนี่ยแบทบจะไม่มีสัญญาเหลือเลยเฉนั้นจิตจะต้องอัตโนมัติจริงๆคนที่จะไปเจริญวิปัสสนาในในวสัญญาได้เนี่ต้องเป็นพระรยาบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตเนี่ยพระสาธิบุตรท่านสอนไหมถ้าไม่ใช่พระรยาบุคคลที่ชํานาญในการดูจิตนะ ไปทำวิปัสสนาในฌานที่แปดไม่ได้สติมจะไม่พอสัญญาณจะไม่พอฉั้นถ้าดูกายดูกายแล้วร่างกายหายเนี่ยไปต่อไม่เป็นแล้วต้องพยายามมีกายไว้รู้สึกกายส่วนพวกเราที่ดูจิตดูจิตเราไม่ต้องห่วงนะถึงร่างกายหายไปแล้วเราก็ดูจิตต่อได้เื่็มีข้อดีข้อเสียนะระหว่างดูกายกับดูจิตดูกายเนี่ย การเห็นความจริงของกายเนี่ยมันไป็คู่ปรับระกำงั้นเราเห็นกายเรื่อยๆนะมันจะละากำง่ายดูจิตเนี่ยจะละากำยากกว่าดูกายแต่พอขั้นสุดท้ายที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพวกที่ดูจิตจะได้เปรียบพวกดูกายหลวงปูดูลสอนไว้นะบอกว่านับปฏิบัติ ที่ว่าเก่งๆนะระดับครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นแค่ผีใหญ่ผีใหญ่คือได้พระนาคาแล้วก็ไปเป็นฟลุมทำไมไม่จบไม่รู้ว่ายังไม่จบเพราะจิตมันทิ้งกายปุ๊บนะก็คิดว่าจิตนี่ทิ้งโลกแล้วจิตที่ควรทาทําเสร็จแล้วคิดอย่างนี้เลยจิตที่ควรทาทาเสร็จแล้วหรือไปฝึกสาหารือกันก็เป็นพวกแบบเดียวกันไปฝึกสาหารือกัน ก็ลงมัตติกันนะว่าเนี่ยจบแล้ในรูหผู้งปู่ดูลนะ้วบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ให้ใส่งเกตจิตต่อไปอีกหลวงตามหาบัวเขสอนตรงนีนะ้บอกว่าสุดท้ายเนะี่ยต้องมาตะลุมบอลงที่จิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้ในหลักคือตัวจิตอวิชชาถ้าเรานิ่งนอนใจนะจิตผู้รู้หลุดออกมาแล้วหลุดออกจากโลกนะมันหลุดจริงๆนะจากโลกอ่ะ ต่อไปนี้รูปเสียงกลิ่นรสปุถัพระที่กระทบกายเนี่ยมาเราให้จิตเกิดกามาราคะให้จิตเกิดปฏิฆะความขัดเคืองเนี่ยไม่ได้อีกต่อไปละแต่ว่ามันยังยึดจิตอยู่นี่ถ้าไม่ชำนาญในเรื่องจิตเราจะคิดว่าจบแล้วเพราะว่าจิตหลุดจากโลกแล้วมันหลุดจากกา ม, มาโลกกา ม, มาภูมินะจิตหลุดจากกา ม, มาภูมิมันไปอยู่ในรู ป, ปรภูมิอารู ป, ปรภูมิแทน มันไม่ใช่ว่ามันพ้นมันยังไม่พ้นจริงงั้นสุดท้ายนะยังไงก็หนีการดูจิตไม่รอดหอกต้องดูจิตจนได้แต่ดูจิตโดยใช้กายเป็นฐานก็ได้อย่างพระนนทนะในพระไตรปิฎกบอกพระนนท์ยังราตรีสุดท้ายก่อนสังขยาณาเนี่ยให้ร่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติก็คือการดูผมขนเล็บฟันหนังด้วยกระดูในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ จเจริญปัญญาทำวิปัสนาด้วยการดูกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนแสดงไตรลักษณ์แล้วก็เวลาท่านบอกว่าถ้านนทเจริญกายยกษ์ตาสตนะิเป็นส่วนมากในคืนนั้นนะแล้วส่วนน้อยทำอะไรส่วนน้อยจิตรวมนะจิตรวมเข้าสมาธิไม่งันเราออกไปเดินปัญญาจิตรวมออไปเดินปัญญาจิตรวมอยู่ที่กัทั้งกายทั้งจิตนะสุดท้ายก็สักฟอก จนจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นอาศัยกายเป็นสื่อเข้าไปเห็นจิตงั้นสุดท้ายยังไงไก็เไปปล่อยที่จิตนั่นแหละะไปรู้ที่จิตลักที่จิตนะสุดท้ายจุดสุดท้ายก็คือถล่มลงที่จิตนั่นเองงี่นเราเรียนกรรมฐานนะอย่าไปดูถูกสายกายสายจิตสายโน้นสายนี้นไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนนะ ทุกสายดีกัน บ, บางคนแต่ละสายดีกับบางคนอย่างบางคนเขาต้องดูกายก่อน เ, เขาเข้าดูจิตไม่ได้บางคนเขามีสมาธิสูงนะถ้าไปดูจิตจีก็นิ่งเฉยเยเขาก็ดูเวทนาแทนดูเวทนาในกายอย่างงี้บางคนสมาธิมีน้อยใจวอกแวกวอกแวกเปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็ดูเวทนาทางใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ หรือดูสังขารจิตจะสังขารในใจอันนี้ยเป็นดูส่วนที่เป็นนามธรรมเบื้องตอนจะดูกายก่อนก็ได้ดูจิตก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าไม่ว่าดูกายหรือดูจิตจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตถ้ารู้ถูกนะถ้าดูถูกถ้าดูผิดเท่าเห็นนั้นเดียวดูจิตเก็เห็นแต่จิตนั่นเดียวว่างๆอยู่ถ้าดูกายผิดเท่าเพ่งอยู่ที่กายใจอยู่ในกายนี่ก็ดูเด็กนั่นรู้หมดเลย แต่ใครเป็นคนรู้ไม่รู้อะแยกไม่ออกองั้นถ้าภาวนาถูกนะรูปนามต้องแยกก่อนจะขึ้นในศัสนาด้วยซ้าไปต้องแยกรูปนามให้ได้ก่อนร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอนะไรหัดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็แยกนามธรรมาออกไปอีกความสุขทุกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูะ ความดีความชั่วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเป็นคนดูจิตเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดใจเราเป็นคนดูเป็นคนไปรู้เา้ามีกายมีใจเนะี่ยเด้นรู้ความจริงของรูปของนามไปตัวไหนเด่นรู้ตัวนั้นบางคนดูกายเด่นดูจิตไม่เด่นก็รู้สึกกายไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูบางคนไม่ชอบดูกายนะ ้าดูจิตเอาเห็ุจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูจิตเปลี่ยนแปลงเองเนี้ยจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นนะารู้ว่าจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นพวกที่เข้าฌานมากๆต้องดูกายนะพวกที่ไม่ค่อยเข้าฌานหรือเข้าฌานไม่เป็นต้องดูจิตทำไมเป็นงั้นเวลาเราเข้าฌานเราออกจากฌานมาเนี่ยจิตมันจะไม่ดิ้นรนปรุงแต่งมันจะไม่เหมือนจิตมอกแรกอย่างนี้ มันยังสงบไปอีกช่วงหนึ่งถ้าฌานนั้นแรงๆนะสงบอยู่ได้เจ็ดวันนะเั้นเจ็ดวันนี้จะไปดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงน้อยมากเลยใจสบายใจสว่างใจโล่งทรงตัวอยู่อย่างนั้นอย่านงะ น, นี้ไปดูจิตนะจะไม่เห็นอะไรเพฉะั้นท่านเลยสอนให้มาดูกายพวกที่เข้าฌานมานะพวกที่เดินสมาธิมากๆให้มาดูกาย เพราะอะไรร่างกายเนี่ยจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานร่างกายนี้าานาานก็ เ, เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็เจ็บ น, น่นเดี๋ยวก็ปวดนี่นะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดียดเด๋ยวปวดเอือเดี๋ยวปวดฉี่อะไรตั้งกายนี้มันสอนธรรมะให้เราดูได้ตลอดเวลาดูสีเข้าฌานถามว่าร่างกายเจ็บป่วยได้ไหมก็เจ็บป่วยได้นะไม่ใช่เจ็บป่วยไม่ได้เพราะงั้นถ้าจิตสรงฌานแล้วออกแอบฌานมาท่านแนะนําให้ดูกาย งั้นอย่างครูบาอาจารย์รุ it, it, ่นก่อนนะครูบาอาจารย์รุ่นก่อนจะทําสมาธิเยอะพุทโธนะเป็นจิตรวมพุทโธเนี่ยในทางปริยัตนะบอกถ้าบริกรรมพุทโธเนี่ยนะจิตไม่ถึงฌานอันั้นไม่เข้าใจคําว่าพุทโธของครูบาอาจารย์วัดป่าที่แท้จริงครูบาอาจารย์วัดป่าที่แท้จริงเนี่ยพุทโธแล้วท่านรู้จิตนะพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้พุทโธจิตเคลื่อนเรารู้พุทโธจิตสุขก็รู้พุทโธจิตทุกข์ก็รู้พุทโธ เรารู้ทันจิตนะในสุดจิตก็นิ่งลงไปสงบเข้าถึงฌานได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้ก็นะจิตเข้าถึงฌานแล้วเนะนจิตว่างไปรู้พุทโธไปจิตว่างก็รู้ว่าจิตว่างเนี่ยนะมันคืออากาศสานันใจยตนะนะเสร็จแล้วพอรวมพ่อไปนะร่างกายหายไปเลยพอกลับมามีร่างกายปุ๊บนะถ้าให้ดูกายถ้าดูจิตจิตก็ยังจะว่างอยู่อีกหลายวัน ท่านเลยบอกให้มาดูกายนี่ส่วนใหญ่พ่อจะฌานมาจะขี้เกียจเพราะว่าอยู่กับฌานมีแต่ความสุขสบายไม่อยากจะทําอะไรอีกต่อไปแล้วเหมือนคนบางคนนะรวยสบายมีอยู่มีกินนะขี้เกียจไม่อยากจะยุ่งกับโลกแนละ้วอยากจะอยู่เฉยๆเ่ยท่านเลยสอนบอกให้มาพิจารณากายมาดูกายถ้ามันไม่ยอมดูกายนะคิดเรื่องกายเลยพิจารณาผมคนและผนหนังเนื้อนะเอ็นกระดูกเป่นการกระตุ้นให้จิตทํางาน แล้วจิตจะค่อยๆเดินปัญญาขึ้นมาจะเห็นความจริงของกายผมไม่ใช่ตัวเราผมเป็นวัตถุก้อนธาตุมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้เนี่ยไม่สวยไม่งามไม่สอาดดูไปเรื่อยๆต่อไปพอมันรู้สึกในร่างกายปุ๊บมันจะรู้สึกร่างกายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามนะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนบังคับไม่ได้ไม้จิตจะเดินปัญญาเอง นั้นออกจากฌานมามาเพื่อนากายนี่ถูกแล้วแต่พวกเราเข้าฌานไม่เป็นใจเราว่าแวกแตลอเวลานั้นคนที่เข้าฌานไม่ได้นะเขาเรียกว่าพวกวิปัสสนาญาณิกพวกไปด้วยวิปัสสนาไม่ใช่สมถายานิกทําสมถะไม่เป็นวิปัสสนาญาณิกก็คือรู้จิตไปจิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตสุขจิตทุกข์รู้ไปเรื่อยๆรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆ หรือจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้รู้อย่างนี้ก็ได้ะรู้บ่อยๆจิตจะเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเพราะเราจะเจริญปัญญาได้ถี่ยิบเลยนะเราจะเห็นเนี่ยจิตเกิดดับมุนเวียนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตดีๆเกิดแล้วก็ดับนะ จิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกเกิดแล้วก็ดับจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตคิดเกิดแล้วก็ดับนี่เห็นอย่างนี้จิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยพียิบอยู่อยงี้เราันจะไม่แปลกนะถ้าเราดูดูของเราเรื่อยๆนะดูจิตใจเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราไปเจอพระกรรมฐานที่ชอบนั่งสมาธิเยอะๆท่านอาจจะถามเราว่าเราภาวนาอย่างไงเลยหัวท่าน เพาท่านหมดแต่นั่งสมาธิท่านไม่เดินปัญญาในขณะที่เราไม่มีสมาธิมากนะมีสมาธิชัว่วขณะใจหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยชั่วขณะที่รู้เนี่ยได้สมาธิชั่วขณะหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิแล้วใช้คณิกะสมาธิเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเห็นจิตใจได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าว่าเราเดินปัญญาอยู่ทั้งวันพอหมดแรงจิตมันก็ไปรู้ตัวอยู่เฉยๆตรงนี้จิตทําสมาธิของจิตเอง เนในขณะที่เจริญปัญญาเนี่ยจิตจะพลิกมาทําสมธาธิโดยอัตโนมัติหลวงพ่อเคยถามหลวงปู ด, ดูลพอนาอยู่กับท่านได้เจ็ดเดือนะจิตมันเปลี่ยนแปลงไปก็ไ ป, ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิะเป็นขั้นตอนนะเบื้องต้นมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็บอกท่านบอกว่าหลวงปูครับผมไม่ได้ทําสมาธินะผมดูจิต อยู่เห็นจิตเกิดดับอยู่หลวงปู่บอกว่าดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัตินะเพราะขณะที่ดูจิตคือเจริญปัญญานะจิตจะพลิกมาทำสมถะของมันเองเลยเป็นช่วงๆไปบางคนพลิกมาเป็นสมถะอยู่แล้วก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานะก็ ค, คิดว่าเกิดมารคผลอันนั้นคือวิปัสสนนะูอย่างเป็นวิปัสสนูอยู่ทุกเหล่านึกว่า ทำวิัสนาอยู่ที่จริงตกจากวิปัสนาละสมาธิที่ใช้ทำวิปัสนาดับไปเกิดสมาธิชนิดสงบขึ้นมาแทนแล้วเกิดอะไรขึ้นมาตรงเนี้ก็เกิดความเห็นผิดนะว่าบรรลุมรรคผลอะไร่างไม่ใช่เพราะนเวลาที่เราเจริญสตินะดูจิตดูใจไปเนะี้ยจิตจะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆนะขอเกตวันนี้ดีขึ้นนะ อย่างนี้สมาธิอย่างนี้พอใช้ได้แล้วยังไม่เต็มร้อยแต่วันดีขึ้นละนี่ไปทําสมาธิแล้วใจไปอยู่นอกว่างๆอยู่นอกใช้ไม่ได้ถ้าไปเรียนบางสํานักเขาจะบอกว่าอย่างนี้ดีว่างอยู่นี้ทั้งวันเลยดีไปเรียนกับหลวงพ่ออย่างนี้ไม่ดีเพราะไม่เดินปัญญาไม่เหมือนกันงั้นบางคนพูดสติปัฏฐานเหมือนกันนะพูดเรื่องสมาธิพูดเลยประโยชน์เดียวกันเลยนะแต่สภาวะไม่เหมือนกัน มาเงีนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อขุมเข้มเรื่องสภาวะมากเลยว่สภาวะต้องไม่ผิดพูดผิดได้ภาษาใช้ผิดได้แต่สภาวะต้องไม่ผิดไปกินข้าวไปตอนกิดข้าวก็รู้รูปรู้นามไปนะรู้กายรู้ใจไปตะกราดเ้นมารู้ว่าตะกลาะไร่ารู้ไปโมโหเพื่อนมันมาแย่งของกินไปรู้ว่าโมโหนี่หมดนะครับวัน เชิญแกม ก, กาศวันนี้พี่พี่หลวงพ่อนะพี่สาวพี่ชายเขาจะมาทอดท่าป่าเลยต้องยอมไม่งั้นจะไปฟ้องแม่ถ้าคนอื่นมาขอเนะ้ยบอกไปทอท่าอื่นนะเดี๋ยวทอดท่าป่าเสร็จแล้วต้องไปนั่งคุยกับเขาอีก